แล้วก็ถามว่าแล้วมีใครมีอํานาจอยู่ในนั้นจริงไหมถ้าเส้นเอ็นอันเดียวขาดนี่อะไรเกิดขึ้นเส้นเอ็นแต่และเอ็นขาดเนี่ยนะหรือเกิดมีปัญหาอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยถามันน่ากลัวขนาดไหนพันสิ่งใดไม่ตัวสิ่งเหล่านี้แต่ละอันนี้มีไม่มีความคงทนอยู่ในตัวมันเองเลยนั่นเราก็มีแต่ความสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวแล้วก็ไม่มีใครมีอํานาจอะไรเลยในไม่มีอํานาจอะไรที่แท้จริงเลยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตก็บริหารขัน บริหารขันธาตุอายตนะทีะ่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบริหารขันธาตุอายตนะที่ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเสื่เนื่องไปตนนั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเมื่อมีการพิจารณาอย่างรอบรู้เข้าใจท่วนทีอย่างนี้แล้วกุลบุตรผู้ไขรประโยชน์คำว่าประโยชน์ตัว น, นี้ประโยชน์อะไรประโยชน์คืออรหัตผลน่นะผู้ที่ต้องการอารหัตผลเมื่อบวชในาศาสนาอย่างนี้แล้วก็อยู่รวมกันบาง จเจริญอยู่อย่างเงี้ยตลอด10ปี20ปี30 40ิบ6ี่สห้าปีบ้างหรือบางทีถ้าไปอยู่รวมกันเป็นหมู่0ิบรูปยี่รูป30รูปสี่ห้าหเจดดบร้อยรูปท่านเหล่านั้นก็ทำกติกาวัดกันว่าอาวุโสทั้งหลายานะก็มาทำกติกากันเลยมาคุยกันเลยนะประชุมสงฆ์คุยกันเลยเอาเป็นเรื่องเป็นราวอาวุโสท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีหนี้สินนะที่มาบวชก็ไม่ได้บวชนี้นี่นะ ไม่ได้บวชเพราะหนีภัยล่ะจะภัยโจรภัยเป็นต้นไม่ได้บวชมาเพื่อเลี้ยงชีวิตบวชเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่มาบวชบวชเพื่อปรารถนาจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นในเวลาไปก็ขมในเวลาไปกิเลสเกิดในเวลายืนก็ต้องขมไม่ได้เวลายืนกิเลสมันเกิดเวลานั่งต้องขมมันในเวลานั่งกิเลสเกิดในเวลานอนก็ต้องขมมันในเวลานอนคำว่าขมนี่ขมด้วยสมถะและวิปัสสนานนะคำว่าขมในที่นี้ไม่ใช่กดบีบสั่งไม่ใช่ หมายว่าเจริญสมถาวิปัสนาในขณะนั้นได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยเวลาไหนบางที่เจริญสมถาวิปัสนาไม่ได้ต้องไม่เป็นไปกับสมถะและวิปัสนาอย่างยืดยาวกุลบุตรเหล่านั้นกระทํากติกาวัดอย่างนี้แล้วก็ไปบินทบาทพิกขาจารย์ในระหว่างทางที่ห่างกันเก่งอุสภะเก่งขาวุธและขาวุธหนึ่งมีพลาญหิน ก็มนัติการกรรมฐานไปตามสัญญานั้นนั่นแหละไปอยู่คือหมายความว่าวิธีการเจริญกรรมฐานเนี่ยว่าเราจะต้องบริหารกรรมฐานให้จิตเป็นกรรมฐานเนี่ยตลอดเช่นหนึ่งอุสภะก็เช่นภายในหนึ่งกิโลเนี่ยจะต้องไม่ขาดจากกรรมฐานให้กรรมฐานเนี่ยเป็นไปสืบเนื่องตลอดหนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลสี่กิโลเนี่ยนะอาจจะเราต้องอมีกรรมฐานไปตลอดจนถึงต้นไม้นู้นจนถึงน้นให้จิตเป็นไปกับ กรรมฐานตลอดไม่ยอมบกแวกไปเรื่องอื่นให้จิตเป็นไปกับคําสอนตลอดเนี่ยนมะมณสิการกรรมฐานทีนี้ไอระหว่างไปนี่ก็อย่างว่านะมันก็สะสมอกุศลจิตมาเยอะนะอกุศลก็เกิดขึ้นความเศร้ามองแห่งจิตก็เกิดขึ้นกิเลสก็คือความเศร้ามองแห่งจิตเวลาเดินไปใจเศร้าหมองเกิดขึ้นเกิดขึ้นแก่ผู้ใดผู้นั้นก็ขมกิเลสนั้นในการไปนั่นแหละ เมื่อไม่อาจอย่างนั้นก็ยืนโอ้ยิ่งเดินไปอกุศลมันยิ่งเล่นงานหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยยืนอยู่ครั้งนั้นผู้มาภายหลังเขาก็ยืนเธอก็จะเตือนว่าภิกษุรูปหลังมาเนี่ยรู้แล้วนะว่าท่านคิดไม่ดีคิดเป็นอกุศลนะนะเพราะฉะนั้นการกรรมอย่างนี้ไม่สมควรอกุศลจนคนอื่นรู้ว่าไม่ดีแน่เหมือนกันตอนนั้นก็เจริญวิปัสสนาบางทีก็สังเวกกับวัตถุเจริญบรรลุได้เลยนะบางคนเนี่ยถ้าบรรลุไม่ได้ก็นั่งลงซะเลย ผู้มาภายหลังก็ต้องมานั่งตามถ้าท่านมูแต่อกุศลองค์หลังอดนะองค์หลังอดเพราะเขาไม่ยอมไปหรอก เ, รเขาจะฉันต่อเมื่อท่านเลิกเลิกอะไรนะเมื่อท่านกุศลเจริญแล้วจึงจะฉันอ่างั้นนะ่ะก็ข่มกิเลสมนานสิฐานกรรมฐานเจริญกรรมฐานไปเรื่อยไม่ยกเท้าด้วยจิตที่ปราศจากกรรมฐานไม่มีสมุดการขยับตัวขณะไหนที่ไม่เป็นกรรมฐานเป็นสมุดฐาน สมถาวิปัสนาเป็นสมุทฐานแห่งการขยับตัวทุกขณะเลยถ้ายกขึ้นสมมติถ้าขณะใดที่ปราศจากกรรมฐานไม่มีจิตที่เป็นสมุดิคือกรรมฐานเป็นสมุฐานกลับไปสู่ที่เดิมจำได้ว่าเจริญกรรมฐานมาถึงไหนเหมือนพระมหาปุตฏะเทวะเถระผู้อยู่ที่อลินทกะในเกาะลังกาฉะนั้นได้ยินว่าพระเถระรูปนี้บำเพ็ญขะตะปัจจากตะวัดอยู่อย่างนี้ถึง19ปี ขาวว่าแม้พวกมนุษย์เมื่อหวานและนวดข้าวทําการงานอยู่ในระหว่างทางเห็นพระเทรศเนี่ยนะเวลาท่านเดินไปท่านลืมเดินกรรมฐานจเจริญไปเรื่อยๆแล้วมันลืมไปคิดเรื่องอื่นเผลอไปกลับมาที่เดิมจําได้ว่าเดินมาถึงตรงนั้นแล้วก็มาเจริญต่ออีกนะชาวบ้านก็บอกเอ๊ะพระเทระรูปนี้เดินกลับไปกลับมาบ่อยๆจะหลงทางหรือว่า ล, ลืมอะไรกันแน่ท่านก็ไม่สนใจนะเขาจะพูดอะไรก็พูดไป กระทำสมณะธรรมคืออธิสีนาอธิจิตอธิปัญญาด้วยจิตที่ประกอบกับกรรมาฐานเท่านั้นบนรรลุปเป็นพระอรหันต์ภายในยี่สปีแค่20ปีเองนะของเรายี่สิบตั้งคูณกี่รอบแล้วนะอยู่ตั้งนานนะในวันที่ท่านบนรรลุปเป็นพระอรหันต์เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่สุดท้ายที่จงกรมของพระเถระยืนส่องประทีปด้วยนิ้วมือทั้งหลายโอ้เทวดาเนี่ยเอานิ้วมือมาส่องปแสงให้เลยนะ ท้าวมหาราชทั้ง 4, สี่ท้าวศักกะจอมเทวินสัมบดีพรมก็ไปสู่ที่บํารุงพระติสสะเทระผู้อยู่ในป่าเห็นแสงสว่างนั้นก็ถามพระเทระในวันที่สองว่าในส่วนราตีได้มีแสงสว่างในสํานักของท่านผู้มีอายุนั่นแสงสว่างอะไรพระเทระก็ทําเป็นไม่สนใจก็บอกว่าแสงนะนะมันแสงอะไรก็ได้แสงไฟแสงสว่างแสงมณีแสงอะไรได้หมดแหละติสสะก็บอกว่าเรียนว่าท่านปกปิดหรือบอกก็นนั้ร ไม่ปกปิดเราก็บอกกันะเล่าให้ฟังว่าแสงของเทวดานะองค์หนึ่งที่ที่จงกรมอีกองค์หนึ่งเท้ามหาราชอีกกลมหนึ่งก็เท้ามหาพรมหมเนี่ยนะนในเวลาบรรลุเนี่ยมแม้แต่เทวดาก็ชื่นชมแม้แต่พรหมก็สรรเสริญยกย่องนอบน้อมบูชาพระริยเจ้าเหล่านั้นหรือเหมือนพระมหาราชเทระผู้อยู่ในกาลวัลิมณดก ได้ยินว่าพระเถระนั้นบําเพ็ญขะตะปัจจารขะตะวัดก็คิดว่าเราจะบูชามหาประทานคือความเพียรอันยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นครั้งแรกก่อนพันการปฏิบัติของเราเนี่ยชั้นเอ่อหกปีแรกเออขอไปเจ็ปีแรกเป็นพุทธบูชาบูชาความเพียรของพระพุทธเจ้าอธิษฐานการเดินจงกรมเนี่ยเจปีนะเดินถือการเดินเป็นหลักอยู่7ปีเมื่อก็นั่งบ้างะนะนั่งบ้างยืนบ้างแต่ไม่นอนแน่นอน ถือการเดินเป็นหลักเจ็ดปีบําเพญาา็ญขตะปัจจาคาตะวัดตลอดอีกสิบหกปีก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์ก็เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบยี่สบสองปีเท่าไหร่ยี่สิบสองปีก็ยี่สิบสองหรือย3ิบสามยี่สิบสามปีก็บรรลุนะบนรรลุปเป็นพระอรหรันต์ เพราะฉะนั้นเมื่อยกเท้าขึ้นด้วยจิตที่ประกอบด้วยกรรมฐานอย่างนี้แล้วเมื่อยกเท้าขึ้นด้วยจิตปราศจากกรรมฐานก็จะกลับไปในที่ใกล้บ้านแสดงว่าท่านสามารถเจริญกรรมฐานให้เป็นไม่มีขาดตอนเลยชีวิตของท่านไม่มีขณะไหนที่ปราศจากรรากรรมฐานกรรมฐานนี่เจริญสติปัญญาหรือเจริญอารมณ์เจริญกรรมฐานนี่เจริญอารมณ์หรือเจริญสติปัญญา ตัวกรรมฐานเนี่ยส ม, มะถะคือสติปัญญาคือวิปัสนาเจริญตัวสติสัมปชัญญะไม่ใช่เจริญรูปบางคนเนี่ยเจริญรูปต้องตามให้มันทันรูปทุกชนิดอันนั้นเขาเรียกว่าเจริญรูปแต่นี้เขาเจริญสติสัมปชัญญะเจริญส ม, มะถะวิปัสนาเขาไม่ได้เจริญอารมณ์เพราะเขาไม่กลัวมันขาดอารมณ์เดี๋ยวตามไม่ทันอารมณ์นโเมาเลยอนน้ บางคนเนี่ยเอาไปเอามากรวมาติดตามไม่ทันอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะไอ้ที่เขาตั้งใจเจริญเขาไม่ได้เจริญตัวธาตุแต่เขาเจริญความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาธาตุต้องแยกให้ออกนะว่าบางคนเนี่ยเออนี่ไงเขากําหนดธาตุดินน้ําไฟลมก็ให้ติดตามให้มันทันดินน้ําไฟลมไม่ต้องตามให้มันทันดอกเมื่อไหร่มันก็ดินน้ําไฟลมนั่นแหละเดี๋ยนะเราจะเจริญกรรมฐ า, านไม่เจริญมันก็ดินน้ําไฟลมมันยังคำ่ำแต่ที่เจริญก็คือ เจริญความรู้เจริญความเข้าใจเจริญสปิดจัดสัมปชัญญะเจริญสมถะเจริญวิปัสนาสมถะก็คือเห็นความเป็นอสุภะของธาตุสี่วิปัสนาก็เห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นของธาตุสี่ก็คือการตามเห็นธาตุสี่เหล่านี้โดยอสุภะโดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาให้ครควญแบบไม่เลอะไม่เลือนไม่เบลอไม่หลงไม่ลืมพิจารณาอย่างนี้เจริญความรู้ตัวนี้เรียกว่าเจริญสมถะวิปัสนาไม่ใช่เจริญตัวธาตุนะ จเจริญธาตุสี่นี่จเจริญยังไงรู้ไหมถ้าอยากใครอยากจเจริญว่า ก, กินเยอะๆเดี๋ยวมันก็อ้วนมากๆอะไรนี่นั่นแหล ะ, จะเจริญธาตุสี่ น, นั้นถูกต้องเพราะธาตุสี่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนั้นเรียกจเจริญธาตุสี่ถูกต้องแต่นี้จเจริญกรรมฐานที่มีธาตุสี่เป็นอารมณ์จเจริญสมถะวิปัสนาที่มีธาตุสี่เป็นอารมณ์เขาจเจริญตัวความรู้ เจริญสติเจริญสัมปชัญญะตัวสตินั่นแหละสติปทานสัมปชัญญะนั่นแหละคือตัววิปัสนาเขาก็เจริญตัวสติตัวสมถาวิปัสนาเขาเจริญถึงช่วงไหนเวลาไหนอ่ะนะตัวสมถาวิปัสนาไหลเสืบเนื่องกันยาวไม่ใช่อาเจริญอารมณ์นั่นเขา้าใจให้ดีว่าไม่ใช่เจริญตัวธาตุเนี่ยนะไม่ได้ไปตามให้มันทันธาตุใครตามทันมันบ้างพิจารณาโมาแต่พิจารณาเท้าซ้ายเอ้ยยกแขนอีกแล้วเนี่ยนะ ต้องวิ่งให้ตามทันแขนไหมโอ้ยถ้างั้นก็ก็พิพตาเราไปกําหนดวิ่งให้มันทัน ท, านทาน่าเรานั้นนะอ่ะป่วยน่าจะเดือดร้อนแน่เขมาว่าถ้าเจริญเนี่ยนะเดือดร้อนจิตแพทย์อีกแล้วนะักศึกษาให้ดีเขาบอกว่ า, วาตอนหลังเนี่ยนะกลุ่มจิตแพทย์เขาบนบน่นว่าทําไมพวกเจริญกรรมฐานให้มันเดือดร้อนจริงๆเลยกวางกันกวางกันนะเข้ากรรมฐานเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนเรื่องยาอีกแล้วต้องให้ให้ยาผ่อนคลายยิ่งทํายิ่ ง, งเครียดเป็นต้นนะ มันก็แสดงว่าไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้ายิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นสุขพระพุทธศาสนาเขามีเครื่องวัดอย่างนี้ว่าถ้าปฏิบัติแล้วเป็นสุขถ้าไม่ปฏิบัตินิทุคนที่เข้าใจคำสอนอย่างถูกต้องนะยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุขไม่ปฏิบัติไม่ได้เจรอนิเดือดร้อนมากทุกมากอันนี้ต้องต้องทความเข้าใจให้ดีในที่สุดก็มีบางกลุ่มอีกบางทีก็ เจอคนก็คุยมากเข้านะเวลาเดินไปบินทบาทก็ไปเจอคนขี้คุยก็เลยทํำยังไงดีว่าเราจะต้องไม่คุยไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องกรรมฐานให้บริหารกรรมฐานก็เลยอมน้ําเข้าบ้านกอมน้ําบุ่นอมน้ําไว้เลยว่าความฟุ้งซ่านในกรรมฐานจะได้มีแก่เราด้วยเหตุสักว่าพูดกับมนุษย์ทั้งหลายผู้เข้ามาเพื่อถวายพิกษาหรือไหว้ว่าขอท่านจงมี มีอายุยืนนี่นะสุขีทีขายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเดี๋ยวโมแต่พูดอย่างนั้นบัวก็โมแต่ถามไทยคุยกันเป็นต้นเดี๋ยว่ฟาฟงซ่านเอกไม่คุยอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดชาวบ้านเขาถามมาท่านผู้เจริญวันนี้กี่ข่ำา7ดข่ำา8ดข่ำก็จะบ้วนปากแล้วก็บอกถ้าไม่มีใครถามเวลาออกจากบ้านแล้วค่อยบ้วนปากพันอย่างเช่นภิกษุหรูหรูผู้จาพรรษาในกะลัมพระติถวิหาร ที่เกาะลังกาอีกเหมือนกันได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นได้ทํากติกาวัดในวันวัสุปนายิกาอุโบสถคือวันอุโบสถคือจมัยหมายเรียกว่าวันอาสาฬหบูชาในวันอาสาฬหะบูชาคือวันอุโบสถขึ้น15บห้าค่ำก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันเนี่ยนะก็ทํากติกาปรึกษากันว่าพวกเราถ้าไม่บรรลุเป็นพระฐานจะไม่พูดกันไม่ต้องพูดกันเลย คือทุกคนนี้เข้าใจข้อปฏิบัติอยู่แล้วนะเข้าใจวิธีการเจริญวิสุทธิเจดเข้าใจการเจริญสมถาวิปัสนาเข้าใจการบริหารกรรมฐานเนี่ยสบายอยู่แล้วทุกคนก็มีความรู้ดีอยู่แล้วเหลือแต่เจริญมาเัินก็ต่อไปก็เลยไม่พูดกันเมื่อเข้าบ้านบิณฑบาตก็จะอมน้ําที่ประตูบ้านแล้วก็เข้าไปเมื่อเขาถามถึงวันก็จะกลืนแล้วก็บอกเมื่อไม่มีใครถามถึงวันก็จะบ้วนที่ประตูบ้านแล้วก็กลับมาวัด มนุษย์ทั้งหลายในที่เหล่านั้นคือชาวบ้านเหล่านั้นเห็นสถานที่บ้วนบ้วนน้ำก็รู้ว่าวันเนี้ยพระมาบิณฑบาตหนึ่งรูปวันนี้มาสองรูปเพราะบางองค์ก็ไม่ฉันเนี่ยนะบางองค์ก็ไม่ฉันขาดไม่ฉันไปวันสองวันก็มีอย่างเงี้ยนะก็เลยคิดว่าภิกษุเหล่านี้ไม่พูดกับพวกเราเท่านั้นหรือท่านก็ไม่คุยกันเอาเถอะถ้าท่านไม่พูดกันเพราะไม่พูดกันเพราะทะเลาะกันเราจะไปให้ท่านเหล่านั้นขอเข้ามากัน ใช้ท่านทะเลาะกันแน่ถ้าไม่คุยกับเราไม่คุยกันเองทะเลาะกันแน่นอนเดี๋ยวไปให้ขอขอท่านขอเข้ามาท่านจะได้พูดคุยกันก็เลยไปวัดทีนี้พอไปวัดเนี่ยนะก็ไม่ไปดูที่อยู่ของพระพิสูุนไม่มีรูปไหนที่อยู่ที่เดียวกันเลยปกติอาจจะนอนห้องคู่ห้องอะไรเนี่ยนะไม่มีเลยทุกคนนี่อยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเยไปหมดจากนั้นคนที่ฉลาดคนหนึ่งก็บอกว่าผู้เจริญทั้งหลายที่อยู่ของคนทะเลาะกันเนี่ยเขาไม่เป <c oughs> ็นอย่างนี้หรอก ดูลานพระเจดีสิลานถ้าคนทะเลาะกันมีใครสนใจข้อปฏิบัติของส่วนรวมหรอกแต่นี่ดูสิลานเจดีก็สะอาดลานโพก็สะอาดไม้กวาดก็เก็บเป็นที่ระเบียบเรียบร้อยน้ําฉันน้ําใช้ก็ตั้งเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยเขาไม่ใช่ทะเลาะกันออกท่านเจริญกรรมาฐานกันนะก็เลยพากันกลับภิกษู่เหล่านั้นปรารกวิปัสสนาภายในพรรษา3เดือนนั่นแหละก็บรรลุ ก, กันหมดวันปวารณาเวันที่90้ปวารณา มหาปรวรณาก็เป็นผู้ปวารณาวิสุทธิปรวรณาเป็นผู้บริสุทธิปวรณากันโดยความบริสุทธิเนี่ยนะภิกษุพึงเป็นดุจมหาราชมหาราคเถระผู้อยู่ในกาลวันลิมณดบเหมือนกับพระภิกษุห้าสิรูปที่จำพรรษาอยู่กลัมพระติถวิหารอย่างนี้ท่านย่างเท้าด้วยจิตอันประกอบด้วยกรรมฐานเท่านั้นไม่มีขณะใหนที่ว่างจากกรรมฐาน คืออย่างที่เขาบอกว่าสามารถบริหารกรรมฐานได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาใช้วิธีการเหล่านี้เขาสามารถเจริญกรรมฐานได้ต่อเนื่องสืบยาวเนี่ยนะพันธันก็เจริญกรรมฐานไปจนถึงใกล้บ้านอมน้ําสังเกตถนนเดินไปสู่ที่ที่ไม่มีพวกทะเลาะกันเพราะเวลาบินทบาท น, นี่ก็ต้องดูเหมือนกันนะอย่าไปในสถานที่ที่เขาทะเลาะกันที่ไหนมันมีปัญหาก็อย่าไปเนี่ยนะที่ไหนมีร้านสุรานักเลงสุราขี้เมามตีกันบ่อยก็อย่าไป หรือแม้กระทั่งว่าที่เขาเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าอะไรที่มันดูดูก็อย่าไปพอไปเที่ยวบินทบาทเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะม้านี่มันรู้จักพระที่ไหนใช่ไหมช้างก็เยียบพระเป็นนะนะนันก็ต้องเลือกให้เป็นนะที่ไหนสมควรไป